ก่าที่พญาบอกว่าไม่ลังเลสงสัยเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะคือคำตอบขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองโดยว่าเราเนี่ยจะไม่ไม่คิดสงสัยนะคะนะฮะไม่คิดสงสัยเพรหลวงข้อถามนี่เราจะตอบออกไปทังทีนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะฮะกลัวกลัวอไรก็้อะหรือกลัวเราจะตอบผิดอะไรเนี่ยนะคือตลอดเวลานี่เราจะต้องไม่กลัวเลยด้วยความมั่นใจนะฮะ ว่าหลวงพ่อลงเข้ามาถามเราเนี่ยจิตเราต้องดีขึ้นแล้วหลวงพ่อท่านจะกข้ามาถามใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลวงพ่อมากไปไม่ต้องประหมา่า<ะ>จิตอย่าง น, นี้มันก็จะมีสมาธิดีขึ้นใช่ฮะแล้วท่านถามเนี่ยมันก็จะต้องออกไปตามนั้นโดยจิตเราเนี่ยจะรู้แล้วตอบไปได้เลยท่านเรียกว่าจิตเป็นทิพย์ใช่ไหมฮะใช่เพราะงั้น<ะ> <ans> หลวงพ่อท่านเมตตามากไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะฮะไม่ว่าใครทัานนั้นท่านก็เมตตาท่งนั้นเนี่ยเ<ะ>ช่นอย่างเราได้ยินท่านถามพวกร<ะ>ุ่นลูกรุ่นหลานจะลูกอย่างนั้นพ่ออย่างนี้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าท่านเมตตาท่านก็อยากจะเข้าไปทุกคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวอย่างท่านเนี่ยมีปฏิบัติน้อยที่สุด ท่นคือหนูกังวลเลยกลัวหลวงพ่อสัมภาษณ์ไงกลัวมาข้อโฟนอย่าี้แต่จริงว่าคุณยายเก่ๆตัวเองก็ไม่กลัวนะคะทั้งที่ตัวเองไม่ได้อะไรนึกว่าเอาลงพ่อถามก็สู้แล้วว่างั้นน่ะในใจมันคิดสู้ก็เอาถามก็เอาก็รู้ก่อนตั้งสามวันทุกวันเรามีคนแบบวันนี้แหละโดนวันนี้แหละโดนคูยทุกวันเลยก็ไม่ประมาทไม่แล้วก็นั่งไพยายามตามก็เอาแล้วได้อย่างนี้เราก็บอกทั้นไปอย่างนี้ แต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นผลดีออกมาเกินเกินที่ที่ตัวปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเพราะงั้นก็ทุกคนปฏิบัติได้ไม่ต้องกลัวคุณยายไม่ต้องไม่ได้บนกับหลวงปู่บานเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ได้บนก็มีใครฮะไปบนอ่าหมอสองหมอเลยแต่ก็มีมีไหวพระก็มีค่ะที่สุดในวันสองวันนั่นนะคะบิณฑบานที่ รูปไปทำในวันนี้ขอให้ลู ก, กจิตสงบคะนะฮะได้เข้ า, า<ด>ถึงธรรมอะไรเนี่ย<า>ก็มีบ้างเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่อันที่เราเราเรามั่นคงทุกอย่างอยู่ในนั้นนะฮ ะ, ะมันมันดีหลายอย่างที่การไปอยู่ว<า>ัดจริงจริงแล้วเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะไปได้<า><า>นะฮะโดยความถ้าไม่ไม่กลัวเกินไปคุณยายว่าความกลัวที่เป็นอุปสรรคใหญ่<า> แต่บางที่คิดตัวฉันเองนะเพราะว่าฉันไม่กลัวเพราะว่าเขาบอกก็จะสัมภาษณ์นี่คุณเมยมาบอกไปเช้าแล้วแสดงความยินดีด้วยฉันนั่งอยู่ที่ร้านว่าหลวงพ่อว่าจิตนี่แจ่มใสว่าจะสัมภาษณ์คืนนี้ฉัะก็สุดเฉยเฉยเออสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์สู้และว่าหาิดไม่ต้องไม่ต้องไปหมอหลวงปู่ลาให้ช่วยเลยแหมยังเก่งกว่าสองหมอเลยย่ายอดเลยแต่นี่ก็ เวลานั่งเนี่ยมันก็ยิ่งวันวันที่หนึ่งก็ยังอยู่ที่เก่านะหลงพ่อมาทำไมสัมผวันที่สองก็กระเถิบออกมาวันที่สามยิ่งไกลจากหลวงพ่ออีกอนะคะก็หลวงพ่อก็ยังมาสัมผัสแต่ก็ไม่ได้หนี<ะ>แต่ด้วยความว่าเวลากราบเนี่ยมันจะกราบแล้วคิดกันเพราะว่า<ะ>ทุกคนก็อยากจะนั่งใกล้หลวงพ่อแต่นี่ฉันกระเลยกายเป็นคน สุดท้ายออกมาข้างนอกเะค่ะก็ถ้าหลวงพ่อจะสัมภาษณ์เราไม่ต้องหนีแล้วไปไหนท่านก็สัมภาษณ์กันได้เลยแล้วก็ฮะไม่ต้องไปแย่งกันพ่าจะต้องไปอยู่ข้างหน้าแล้วหลวงพ่อที่หลวงพ่อถึงจะท่านทราบได้จิตเพราะฉะนั้นฉันเองก็เชื่ใจนิดในใจว่าเออเรานี่ค่อยดีขึ้นขนานั้นอ่ะท่านก็มีข่าวว่าจะสัมภาษณ์แล้วหน่อยเพราะฉนั้นก็ ทึกสิ่งกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้นท่านเห็นคนรท่านก็ทําท้นี้คุณยายเอ่อตั้งแต่กลับมาแล้วนี่คุณยายก็เลยทําที่บ้านทุกวันนะคะก็คืนวันที่ยี่บเก้าเขาท่ากลับวันที่สามสิบเนะ่ยยี่สิบเก้าลงข้อขึ้นเหมือนตาลาค่ะท่านกวาดพระเสร็จท่านเดินผ่านท่านก็ถามโยมทํำลูกวาะให้ท้าให้จับไว้แต่อาณาจารยไว้ตลอดเวลาก็เรียกว่าท่านก็เนเตือนหน่อยแล้วก็อย่างว่าหลงหลงลืมๆืมก พยายามทำแต่ก็รู้สึกว่าทีกลับมาบ้านเนี่ยแล้วก็ทําแล้วได้เห็นพระพุทธรูปเนี่ยองค์นี้อไม่ใช่ธรรมดาไม่เห็นใจ่ให้จ้องอย่างนี้ก็มาเห็นจับมากไม่ได้คิดจับจับเลยตอนตอนกําลังนั่งลุเนี่ยก็อย่างว่าหลวงข้อเห็นว่าฉันไม่ขี้เกียจแต่ก็บอกให้นอนทำจนที่หลวงพ่อจับขนาดนี่นอนทำแล้วก็ให้ตื่นเช้าเนี่ะใช่ไหตื่นเช้า ก่อนนี้ทำก็หลวงพ่อจากไว้ทั้งาวหลายทั้งเทศทั้งอะไรนะไม่เอาไหนพอตื่นเค้าก็อย่างว่าขึ้นมาแล้ต้องเข้าน้ำเลยนะึ้นมาก็้วนะเอาวันนี้เรามีธุระ อ, อะไรจะทำนะฮะพอตีห้าหลวงฟังวิ่ทยุยพอหกมองเช้ากลฟังในดุยนะพะหนกกอหกมองกว่าล้วก็ออกมันไม่มีเวลาค่ะเพราะงั้นตั้งอากับมันนี่ก็ตื่นขึ้นร็ อ, อย่างว่าเบินเชียนแรงหน่อยอเอาขึ้นหน่หอย ก็รู้สึกได้คนที่เห็นภาพมันจรูปไี่เห็นเป็นองค์อย่างนี้เลยนะคะซึ่งว่าอย่างท่านเข้าแค่จะมากราบค่ะถ้าได้มาบ้านนี้บอกท่านไม่ลืมก็เข้ามากราบหน่อยนะค่ะแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่เคยเห็นนึกแต่คืนไหนค่ะสิบสามสิบหน้าเหรอคะไม่จะวันที่หนึ่งนี่มันวันที่หนึ่นะฮะสมมติมก็เห็นเห็นองค์สององค์องไหนองค์ฮะองค์ไหนจำไม่ได้ฮะองค์จาองค์นี้ได้ เป็นอารมณอ๋อแล้วก็ความชุ่มชังอารมณ์การที่ได้ผ่านเอคือได้สัมผัสนะฮะเด<น>ีย๋ยวว่าผ่า น, าานสัมผัสได้สัมผัสกับแ<น>ดนพระนิพพานไปแล้วแล้วคุณยายชุ่มชางแค่ไหนก็รู้สึกว่าพื้นใจว่ามันเสียทีที่เกิดมางั้นแต่ก่อน้วมันก็อ่ยเราเกิดมาเป็นผู้สุดเอื้อนแต่มันสุดเอื้อมสําหรับเราะนะฮะแดนพระนิพพานกันได้สุดเอื้อม แต่ก่อนนี้น้อยใจว่าเกิดไม่เป็นหญิงไม่ได้บวดนะคะน้อใจจริงเลยพอมาเจอหลวงพ่อก็พระนี่แหละพระโสดาบันอะไรแบบแต่นี้ก็ทําให้เรามีกําลังใจขึ้นยิ่งฟังพระวินัยมากๆก็รู้สึกดีใจที่ไม่ต้องปวดเลยรู้สึกจะใกล้นรกมากกันหน่อยวดแล้วทําไม่ดีจริงๆแย่ก็รู้สึกปวดก็ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยก็เลยว่าเป็นหญพัขมาแต่ก่อนก็ไม่คิเออเรานี่ ก็ไม่เสียทีนะเกิดมาอยู่ในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเนี่ยแกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าวัดใช่ไหมะตอนนี้ตอนนี้ยิ่งปลื้มใจว่าเราได้เจอครูดีอาจารย์ดีนะคะคือท่านก็ทั้งๆสับโคบด่าทุกอย่างเราเวลาท่านด่าในเทพเราก็ยอมรับสภาพตัวเราเป็นอย่างนั้นนะ เราก็ยังชอบฟังให้ท่านดา่า แ, แล้วคุณคุณยายพบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อไหร่คะก็พบได้ยังไงฮะอ่าอ่านหนังสือหลวงปู่ฟานแล้วแล้วหนังสือของคุณอมภัยมาเช่ก็ได้นะ่ะมาถึงไม่ได้ขอไม่ายากเท่าไหรก็ชวยได้ก็ไปอ่านเขาไปอ่านก็ไปเจอท่านพูดถึงว่าอ่าท่านก็เล่าถึงว่า การที่ท่านเขียนประวัติทั้ตัวท่านเองเนี่ยค่เพราะงั้นก็ท่านจาว่าดความไม่ดีอะไรที่ท่านออกมาก็ก็ว่าขอให้ตายแล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่กล้าเอาไอ้ความไม่ดีมาลงค่ะแต่นะคะแต่นี้ท่านเขียนท่านเองเนี่ยไอ้ความไม่ดียังไงท่านก็เอามาตีแผลพระองค์ไม่ดีน <c oughs> พูดจริงดีเพราะงั้นก็อ่านอ่านไปก็ไปถึงตอนของพ่อจะขึ้นข้องสวรรค์เนี่ยค่ะ ก็ชอบพิจารณะแต่นนี้มาถึงตอนนี้ก็่าเออท่านบอกว่าท่านกะทำเคร่งมากอะจนออกมาชันชันแล้วก็เข้าไปในกระสอบอีกทีนี้ด้วยความร้อนนะคะก็จะเข้าไปอาบน้ําไปว่าร้อนเหลือเกินพักสักเดี๋ยวฮะก็ไปนั่งพิงโองอะแล้วแป๊บเดียวจิตท่านกระจับขึ้นไปบนสวรรค์นะเราก็มานึกถึงพระอะไรนะคะอันนท์ด้วย ฮะพรอนน <ฮะ S 1> า น, นนท็อนท์ที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติถไล่ไม่ได้เครียดมากไปท่านก็พอคลายอารมณ์มก็เอนลงไปก็สำเร็จถ้มันได้ถึงหลวงพ่อเนี่ยะเออจริงนะเป็นอย่างนี้ก็ด้วยความอยากรู้เนี่ยนะก็โทรศัพท์ไปที่บ้านสายลมดูในหนังสือนะฮ ะ, ะมีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปถามว่า หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านตายแล้วหรือยังอยู่ก็รู้สึกจะเป็นท่านอ๋อยเนี่ยเข้ามาเข้ามาทีนึกว่าท่านจะไม่อยู่แตเราก็รู้สึกในนังถือท่านบอกว่าท่านแย่เนี่ยนะฮะสุขภาพที่โทมมากก็ท่อ๋อยก็บอกว่าหลวงพ่อเองอยู่ค่ะทุกนี้ท่านมาเชิญสิคะแม่เราก็นึกดีใจว่าโอ้เจ้าของบ้านนี่เขาดีจริงนะก็ได้รับโทรศัพท์แล้วก็เชิญเลยก็รุ่งขึ้นก็ท่านมาก็ไปค่ะ ก็ชวนไปน้ำไผ่ก็ไปไปแล้วก็ไปถึงเจหลงพ่อกําลังให้น้าเกลื อ, อ, อ ม, มาวันแรกอ่ะเลยให้น้ำเกลือแห้น้ำเกลือก็ฟังฟังก็ก็เรียกว่าติดทําบุญเนี่ยอติดทําบุญมากก็ไม่ทราบว่าจะเดินไหนเนี่ยก็ชวนกันไปวัดเข้าไปกันสี่คนก็บอกว่าถามก็ได้ความมาสองชั่วโมงเขาไปไปหูไปถึง พอเลยยุทธยาก็บอกว่าถึงเขตอำเภออุทัยก็ดีใจแม่นั่งอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยกว่าจะรถจะถึง่ะก็ไปไปก็ไปถึงก็ในตรงสะพานนั่นน่ะก็ถามเขาอีกว่าไปทางไหนเขาก็บอกบอกก็ลงไปงเตือหารจะนึกว่าไปทันเพลนจะได้เลื่องพระเลยก็ไปไปถึงก็เพนแล้วนะเพนแล้วก็มีป้ายบอกไว้ว่าหลงพ่อไม่รับแขกก็เจอปะอาดเนี่ย เราก็บอกหลวงพ่อไม่สบายไม่รับแข<ะ>แล้วก็ยืนอยู่ไอ้ตรงนอกประตูนะก็ลังเลยลังเลว่าเราจะตกลงไม่ได้เรื่องพระเอาอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะทานกันจะทานอาหารกันตรงไหนดีหรือไง<ะ>ก็เห็นหลวงพ่อเนี่ยออกมาใส่อัมสะตัวเดียว<ะ>แล้วก็มีผ้าเช็หน้าเนี่ยผูกคอ<ะ>แล้วก็ถืออ่างข้าวจะมาเลี้ยงหมาให้ตรง<ะ><ะ>ดาราเก่านะฮะท่านก็มาถึงแล้วเอ๊ใช่ใช่ก็ยกมือว่ากันก็ยืน เป็นอยู่เฉยๆงั้นค่ะหลวงพ่อก็ะจับข้าวเลี้ยงมาเสร็จท่านก็เข้าไปะสักพักหนึงก็อ้ายก็มาเปิดประตูบอกว่าเดี๋ยวพ่อบอกว่าเปิดให้เขาเข้ามาเขาจะมาทําบุญ<ะ>ซึ่งวันเราก็ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกอะไรนะ่ะก็เข้าไปในก็มาฐานเก่าอ่ะคาให้ไปถุนนั่นค่ะก็เข้าไปก็ไปทานข้าวกันที่สราราเก่าน ะ, ะทานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ลงมาลงมาก็ก็ถามท่าน เรามีทําบุญอะไรบ้างอ่สร้างวิงหาร เ, าเราก็สร้างวิงหารเอาเอา อ, าอาก็เห็นวัดใหม่ๆนี่สร้างโบสถ์อะไรจะทําไปตามค่ะพัฒยาสายเอาสร้างหอระครังหอกองรู้สึกจะเมนด้วย<ะ>แล้วลงท้ายก็ด้วยความมายังไม่เคยว่าฉันไม่ทราบฉันรับกองแล้วอัมภัยรับระครังน<ะ>ี้ก็เลยรับมาเลยนะ คือมีรายการอะไรเอาหมดเด้งเดด้วยความแรกวันแรกวันแรกนี่วันแรกอืไปวัดนก็ยังไม่ได้ข้ามไปทางโน้น่ะก็มาหาหลวงพ่อที่กุฏิเก่าน่แล้วก็ตามท่านมาก็ยังเคยอย่างว่ายังสงสัยสงสัยแต่ยังไม่ได้เชื่อมั่นอะไรก็ตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้เชื่อมั่นหลวงพ่ออะไรคิดทําบุญเฉยๆดูทําบุญแล้วก็เชื่อมกันจนกระทั่งมาวันหนึ่ง เล่าหนึ่งจะเลยเลยไหมไ ม, ไม่เล ย, เลย น, นะคะแ่วันหนึ่งก็คุณองค์ไพรว่าพาเพื่อนไปก็มีหลวงปู่ร้ายองค์มาหลงข้ออยู่ด้วยแต่นี่มันสากไงไอคือเรากลัวอะไรก็จะเจอแน่นใช่ไหมคะก็เพื่อนไปก็เกิดไปรับสัมผัสอะไรมันก็โวยวายเข้าก่อสิ่งที่ยังกลัวนี่ก็ไปเจอเขาอีกนะใช่ไหมแต่นี่คุณอ๋อยก็ มาชวนคนที่ถูกเข้าเนี่ยไปอยู่ทางทางห้องขายหนังสือค่ะเช <ฮะ S 1> ่นก็นั่งอยู่ทางนี้อตรงที่หน้าที่ฉันนั่งเนี่ยหลวงปู่ธรรมาชาัยนั่งอยู่ค่<ฮ>ะทีนี้หลวงพ่อก็ให้หลวงปู่เนี่ยลุกไปทําอะไรก็ไม่ทราบหลวงพ่อก็มานั่งแทนนะเดี๋ยวังก็นั่งหากก่างสักสามสองสามเมตรเนี่ยก็นั่งอยู่ พอทาร่วมนโวยวายโวยวายก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้แล้วอายก็จริงอายก็จริงในใจกันึกนะโธเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้เอาก็มาก็ดีๆนะเนี่ยแล้วมาสติเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวลับเขากลับไปเนี่ยแล้วทํำยังไงลูกผัวเขาจะว่ายังไงก็นึกนึกว่ากังวลอยู่ในใจหลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่บนเตี้นยงบอกว่าเอ้ยโยมเอาไปเอากลับไปนะไม่ใช่ค่ะ ก็นึกอยู่อย่างนี้ค่ะหลายครั้งนะฮะอีกครั้งไปรู้โอ้ยแล้วนี่จะทํำยังไงกันนะฮ ะ, ฮะท่านก็บอกว่าอะไรให้โยมอะไรเนี่ยอุ้มอุ้มอุ้กลับบ้านเนี้ยให้โยมเอาไปให้โยมเอากลับไปะอะไรเนี่ยะ่นะ ทั้งวนเรานั่งนึกคนเดียวพูดกับข้างๆใครก็ไม่ได้พูดออืฮแล้วก็เฉยหลวงพ่อว่าไงกัเฉยอะใจมันก็งงวลอยู่นั้นแต่นี้ท่านนุ่งก็บอกอะเออะอีกออะอีกแล้วก็เอาอีกอะใจมันต้องกังวลอีกอะหลวงพ่อก็ย้ําอีกอะนะก็เดี๋ยวก็ให้ให้นโยมอ่าอุ้มกลับไปหรืออะไรเนี่ยตั้งสามครั้งครั้งที่สามบอกไม่ไปแล้วค่ะ ไปอยู่ก็หลวงพ่อที่นี่ยนะะตอบท่าไปอย่างนั้นตารไปเฉยๆเพราะว่าท่านหันมาพูดกับเราเนี่ยแล้เสร็จแล้วก็หลวงปู่ท่านก็หลวงพ่อให้หลวงปู่ทำน้ำมนต์อะไรแต่อะไรลก็ดี<ช>ก็เป็นอันว่ า, ารู้สึกว่าท่านก็มาหลงทุ่มพรมาเข้าหรืออะไรเนี่ยด้วยความกลัวมากแล้วก็มาเล่าให้ภัยภัยฟังค่ะเกือบเดือนนึ่งนะซึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ย อยู่เลื่อจ้ะแล้วไม่รู้ตัวลรวกว่าเอ้หลวงพ่อคูดไปยังไงโดยจิตเรานึกไม่รู้นะได้อยู่จิอยู่วันแม่เล่าายฟังบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ๆๆพอจิตมันก็ น, นึกขึ้นมาว่าเออกายนั่งนึกอยู่คนเดียวไม่ได้พูดกัะใครทำไมหลวงค่อถึงรู้จิตเรา่ะดูแพร่ความโง่ต้องเป็นเวลานานเลยนี่เปนเลาเกือเดือนถึงได้เอเจ้าก็เราค้างกัาไม่ได้พูดกับใคร ฉันไม่รู้จักกระใครเลยนะนึกกังวลใจอยู่คนเดียวลงข้อทักับพุ่นเดี๋ยวให้โยมอุ้มกลับไปเดี๋ยวให้โยมว่าอ้ยเดี๋ยวนี่จะเอากลับไปยังไงเนี่ยเข้าใจว่ากระใครเออเวรอยเนี่ยจะเอากลับไปยังไงเถอะไม่น่าจะชวนเข้ามาเนี่ยแล้วกลับไปนี่จะไปบอกลูกบอกผัวเขายังไงเนี่ยเขามาดีๆแล้วกลับไปเป็นอย่างนีไงด้วยความกลัวทั้งกรบอกเดี๋ยวให้โยมอุ้มกลับไป สามครั้งครั้งที่สามก็ตอบ่านทรงเด่นไม่ไปแล้วใครอยู่ <c oughs> กับหลวงพ่อเรแล้วก็ลับมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเล่าใับใครๆก็ฟังว่าเนี่ยแหวะไปแล้วเป็นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นนแล้วได้เกืดเดือนถึงเนี่ยเอะใจมะเอ๊ะก็เราแมงลึอกอยู่คนเดียวทาไมหลวงพ่อถึนรู้เออแปลกนะอ่ <c oughs> ามาเกิดเป็นของแปลกเลแล้วก็อาจาย์ใก็เลยไปหาหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆไปก็เราไปนะไปเรื่อยๆแล้วอีก หลวพ่อท่านก็ไปเยี่ยมทหารตำรวจนะเขอไปแจกมีเวลาว่างก็ตามไปอยากจะรู้ที่ท่านไปทำไมด้วยความอยากรู้เขาไปยิ่งไปมันก็ยิ่งศรัทธาท่านคือท่านไปเนี่ยไปเยี่ยมด้วยความเมตตาแล้วไปพูดกับเขานี่อย่างซึ่งว่ะเราฟังว่ามันน่าชื่นใจอะนะพวกเราเนี่ยมาขอบคุณพวกคุณท่านทั้งหลายนะที่รักษาบ้านเมืองอะไรแต่อะไรเนี่ย ซึ่งเป็นคําพูดติดแม้ยิ่งฟังเรายิ่งรู้สึกว่าหน้าเคารพหน้ากราบไหวยิ่งนานแลยิ่งหน้าเคารพหน้ากราบแล้วไปไปมามาไงมันกลายเป็นกลัวไปกลัวอะไรคะกลัวอะไรกลัวอย่างพ่อกลัวพราะอะไรกลัวว่าเราจะทําผิดอะไรโอ้กลัท่านดุค่ะกลัวท่านดุแต่ซึ่งท่านก็ไม่เคยดุ แต่ไม่กลัวกลัวดุนี่มันนี่มันนี่ดุนี่กลัวอย่างนี้เลยนะกลัวแล้วกลัวจนกระทั่งต้องคทำนี่ไงฮะนี่คือใจแต่กลัอกกลัวดีฮะแล้วหลวงพอเพราะท่านมาพรมน้ํามนต์แล้วก็มาฉายไฟเพราะงั้นข้าให้จําไว้เนี่ยเวลาท่านมาฉายไฟเนี่ยท่านจะเห็นสิตเรานะคะเพราะงั้นท่านเพิ่งบอกอ่ะ อะไรนะจิตใสยช่หจิตดีดีไหนแล้วจะสัมภาษณ์เพราะงั้นแล้วก็แม้จิตเราเพ่งจะนิ่งมันเึินงจะไม่จะดิ้นอย่างเราเราใครจะมาริ้นดีกว่าเราใช่ไหมเราก็รู้่ะเรานี่มันขนาดไหนทั้งดือ้อทั้งด้านทั้งทั้งสารพัดอะว่าไม่เอาไหนจริงๆถ้าอันนี้ก็รู้สึกหลายคนข้องใจนะคือก็ ทำไมน้าหลวงพ่อไม่สัมภาษณ์เราสักทีทำไมเลือกที่นั่งไม่ทูกคิดะมั้งหรือว่าไกลกว่าท่านเรือว่อหรือจะต้องไปนั่งข้างหน้าหรือว่าเพราะว่าไม่เดชชนิดที่ชอบละมั้งแล้มีเป็นส อ, อย่างหลายพวกผ้อยากสัมภาษณ์คงอีกพวกนี้นพวกอย่างนี้คงอย่อีกเยอะต้้กลมต้องใ้กาพ่ออย่างที่คุณยายว่าถ้าเรารู้ตัวของเราเองอะ ว่าเหตุใดท่านจึงมาสัมภษณ์และเหตุใดท่านจึงไม่มาสัมภาษสอยู่ที่ท่านเห็นจิตเราควรแล้วก็เข้ามาถ้าไม่ควรท่านก็ไม่ได้จะมาให้เสียเวลาท่ า, ทานนั่นแหะสิะก็ ก็ทิดไปในวันที่ยี่ห้าเท่าไหร่ยี่5นายี่้านะรู้สึกยี่แปดนะรู้สึกคืนยี่หกเนี่ะติตเพึ่งจะนิ่งก็ได้ข่าวแล้วว่าจะมาสัมภาษณ์ก็นึกในใจว่าเอ๊ะจิตเราเพิ่งจะนิ่งเอ้าสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ละว่างั้นนะใช่ไหมฮะไปยี่สี่ไปได้ยี่สี่ดี่ห้า้าก็เริ่มจิดนิ่งจิตนิ่งยี่หกดีไหยี่หกยี่หกก็คล้ายๆแลนะ ยี่หกก็ยีย่หกก็ได้ยินว่าจะสัมภาษณ์นะฮะก็แสดงว่ายี่ห้าน่นนะจิตนิ่งนะฮะยี่หกก็เช้าก็ในข่าวแล้วว่าจะสัมภาษณ์ยี่หกก็ยังไม่สัมภาษณ์เพราคนจิตแฉวเยอะแยะเลยแต <laughs> ่ไหม <laughs> เขาดีกว่าเราอเราก็ไม่น้อยใจใช่ไหมฮะท่านไม่มาสัมภาษณ์ก็ไม่น้อยใจก็เอ๊ะมันก็แปลกนะมันก็ไม่กลัวก็ไม่น้อยใจว่าหลวงพ่อทําไมไม่มาสัมภาษณ์ว่าจะสัมภาษณ์ล่ะ มันยันเฉยๆค่ะทั้งภาคกับสังภาคเนี่สองภาคกับหน่สองภาษคนะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะยอมรับสภาพของการว่าเออไม่ได้ปฏิบัติเราเราปฏิบัติหนึ่งก็เลยไม่มีมานะอย่างนั้นนไม่ใช่ก็เลยไม่มีเออคือทะเยอทะยานหรืออะไรจะใช้คำว่าอะไรดีที่จะไปพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์อ่ะคือ ทางวัดเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นลม อ, อ๋อใช่ค่ะคือเราเราเราเอกอ่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะมค่ะหรือว่าก็ไม่ไม่ได้นึกจริง น, น, นึกว่าหลวงพ่อเห็นสมควรท่านกาาระทำพลาดเองแต่ก็เป็นมันก็แปลงอยู่ว่ายี่เจ็ดก็ร่นมาข้างหน้าอีก ใช่หมฮะอ่ายิ่งึ้นยิ่งแต่ยิ่งร่นมาใหญ่เลยยิ่งยิ่ ง, งค้ากันหนีท่านไกลท่านออกไปอีก<ม>นะฮะแล้วก็คุณปูเขาก็มีความเมตตาเขาก็เดินผ่านก็จ้าอ่ให้ไป น, นั่งทางลน่สิหลวงพ่อจะสัมภาษณ์ขห้นมาว่าคุณอย่ายุ่งกับฉัน นะฮะว่าท่านหลวงพ่อจะสัมภาษณ์กับสัมภาษณ์เองเฉยเฉยเถอะก็บอกกับเขาอย่างนั้นนะมันก็รู้สึกว่าเราก็ทําให้ถูกเขาก็มีความเมตตาอยากให้เราเนี่ยไปนั่งใกล้หลวงพ่อหลว ง, งพ่อจะได้ไม่เหนื่อยเดินมาไกล mm hmm. นะไอเราก็ไม่รู้เจตนาเขาไอเราก็อย่างว่าไอความดื้อของฉันเนี่ยฉันจะนั่งตรงไหนใครจะมาทําไม่ฉันอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันก็เป็นอย่างเงี้ย่ะ <laughs> และไอเรื่องเข้าไปนั่งใกล้กๆก็ไม่ไม่ค่อยชอบอะ่ะเพราะถือว่าเราเนี่ยมันยัง ยังยังจิตมันยังไม่ดีอะ่ะโดยมากค่ะคนที่เขาจิต ด, ดีเขาก็ต้องไปนั่งใกล้ๆใช่ไหมฮะท่านจะได้สอบถามอะไรแต่ไรเนี่ยก็ไม่ด้คิดหนีก็ไม่ดูคิดอะไรค่ะแต่ว่าด้วยเวลานั่งเนี่ยมันมันคิดกันไปคิดกันไปมันก็เลยกลายเป็นกระเถิบนี้มาก็ไม่ทราบว่าจะเป็นบาปไหมที่ทําให้หลวงพอ่อต้องเดินไกลมาสอบเนี่ย แล้วก็ไม่มีตั้งใจอะไรเลยที่เจตนานล้วเราไม่ไดเจตนาหนีท่านไม่ได้ไรเนี้ยแต่มันก็ค่้ายก็ยิ่งไกลออกไปก็ไม่ได้หลบด้วยความจริงใจนะไม่ได้หนีก็ไม่ได้กลัวเพราะงั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหลวงพ่อจะสัมภาษณ์บางคนไม่กลัวฉันไม่ได้กลัวเลยแต่ทีนี้ถ้ามคนมองไปจะไม่กคล้ายเกลัวทําไมหนีออกมาไม่ใช่ด้วยความจริงแล้วไม่ไม่ไม่กลัว เพราะงันอย่า ก, กลัวอย่าประมานะฮะไม่ต้องตกใจหลวงพ่อถามี่จิตแล้วจะไงตอบไปเลย<ม>ซึ่งวัาเรานี่มันสมาธิมันน้อยจนจะไปให้เหมือนข้าวเห็นอย่างทรพบาพไม่ได้<ม>เรารู้ว่าเรานี่มันอ่อน<ม>ก็เช่อย่างเราเห็นจุดจุดนี่เราสงสยัยหลวงพ่อบอกว่าเห็นแล้วจุดดำๆเราก็บอกเห็นค่ะ เขบอกแม่หน่นใช่เอาใช่แล้วก็ใช่แล้วแต่นี้เราเห็นอะไรเราก็มั่นใจอ่ะเห็นอะไรยอดยอดยๆดหลวงพ่อถามตอบไปเลยด้วยความมั่นใจใช่ไหมฮนะถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไมดีพอในหลวงพ่อจะไม่ถามเราแบบนั้นก็รู้สึกว่าเห็นภาพหลวงปู่บานในคัดมากที่สุดในสาในในในเป็ น, น, นพระสงฆ์ อืมเห็นท่านพัดก็รงั้นก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงปู่เออะไรฮะท่านท่านปู่ก็อินท่านไม่ย่าท่านไม่สีนะฮะเปยน่อปู่ปาลแล้วก็ท่านอะไรพระอะไรวันม่เหยื่ไม่อยู่อตั้งแตแรกนะมาประสบอาจจะเป็นด้วอย่างนี้ก็ได้ที่เราไม่ที่จะอยู่จัดอยู่แล้วเราก็ไม่เลื่ไม่เลื่อนหัว มันก็เลยกลายเป็นไปได้โดยไปได้โดยม่าคิดว่าคุณยายนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของของของการตัวอย่างที่ว่าทํำทานนานะฮะคือศีลก็ก็ทําค่ะภาวนาน้อยกับเพื่อนเป็ภาวนาคือคือคุณยายภาวนาระวะคือคือที่ทำคือมีพระวิหารอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่หมืว่าอันนี้มันก็เป็นสมาธิอย่างตลอดเวลาที่เรียกว่าแ่ะ ก็ที่ก็ทํททาฐานนี่ก็ด้วยเมตตาแล้วคนที่มีเมตตามีความวิหารนี้ตลอดเวลาหลวงพ่อนั้นบอกว่านั่นแหละคือผู้ทรงฌานหรือว่าอันนี้ก็คุณญาณีอยู่ทุกอย่างครบเลยใช่ค่ะแต่อันนี้ว่ามีพูดก็พูดนะฮะก็มีไม่ใช่นั่นนะคือทุกคนเนี่ยฮะให้คิดไว้อยู่เสมอว่าหลวงพ่อบอกแล้วว่าให้ทำฉันเดี๋ยวนี้ฉันเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นบาทรหรือสลิงหนึ่งนี่ เี่าละทานของเราหนึ่งหลังเพราะั้นไม่ต้องไปที่จะต้องทํามากๆแต่ให้จิตเราเป็นกุศลอันนี้สําคัญที่สุดค่ะเดี๋ยวจะไปคิดว่าโอ้ยจะทํามากมากเลยไม่ใช่ไม่เป็นค่าทำลายเกินควรไม่ไม่ไม่ไม่ไม่าอะไรเกินควรจะก่อนที่เลิกจิตว่าค่าทำลายเกินควระอย่างที่เราได้ยินนะฮะเพราะงั้นเวลานี้เวลาจะทําอะไรเนี่ยค่ะถึงได้บอกทุกคนว่าเสื่อมหนึ่งก็บาปหนึ่งก็ได้นะ คุณได้เต็มไม่เต็มหน่วยเลยคือมันขึ้นอยู่กับจิตเราในที่จะให้นะคะนี่การที่เราเจอเพราะที่ทัานสอเราถูกต้องนี่มันก็เป็นการนําเราอย่างดีดังนั้นแต่ก่อนนี่เราก็เตลิดเปิดเตงไปท่านบอกว่าไม่แน่นะไม่ว่านรกมันมันอยู่ใกล้และเกินถ้านมาเจอหลวงพ่อท่านคนอื่นไม่รู้นะท่านรู้สึกตัวท่านว่าอ๋อมันใกล้กันแต่ก่อนนี่มันมินเนะและเกิะด้วยความไม่รู้ของเรานใช่ไหมคะ ก็เนเนี่ยะเพราะงั้นทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างนะทาเม่อตนเราไปแจกของเนี่ยซึ่งว่าเราได้ฟังเทศแล้วรู้สึกว่าแม้มันชุ่มชื่นใจเลยความเหน็ดเน่ยนะที่วันนั้นที่ฉันเห็นคุณวัชร น, นีรับถุงข้าวสองถุงเร่ยไม่ทราบว่าคุณวัจรนีรับได้ ย, ไยังไงวันนี้ยังอีกถุงยังไม่ทานโยนต่อไปนะ อีกมือนี่ก็โยนมาเป็นละตรงนี้รับไปสองตงนแล้วพอหลวงเทศหลวงพ่อเทพกลางคืนที่ว่าเป็นเรื่องของฉันที่ท่านมาเทศว่าในการที่ทำทานแบบนี้นะ่ะได้กุศลอย่างไรอย่างไรอางไรเลเป็นบารมีค ะ, ะคือเนี่ยทุกอย่างที่หลวงพ่อทําเนี่ยเป็นกําไรในชีวิตของเราอย่างเหลือหลายเลยค <ฮะ S 2> นะฮะก็ท่านก็บอกว่าทุกคนเนี่ยไปอ๋อคารอถเองออค่ากินเองใช่ไหม ทุกอย่างเลยทำเหน่ทั้งกายทั้งใจนะทุกอย่างก็ทั้งทั้งที่เราก็ไปเห็นว่าเขาไม่ได้เนี่ยก็มาเบ้งเบ้งเบ้งทที่เราเราจะเบ้งเบ้งเขาเขากลับมาเอ็ดเราอะไรเนี่ยมันก็เป็นเทพหลวงพ่อไม่ไม่อัดเทยมาอธิบายเราฟังมันก็เราก็ยังไม่กระจ่างแจ้งมันไม่เข้าใจก็พอมาฟังเทพหลวงพ่อรู้สึกว่ามันก็ชื่นใจมันได้ต็มขึ้นมาอีกนิดหนึงว่างั้นนะ เรการทําทุกอย่างให้ทุกคนนึกะว่าเราผลที่เราทําเนี่ยได้รับแน่ๆะนะคะมากหรือน้อยล่ะเราทําำในใจเป็นเปลี่ยนแล้วเราได้รับเป็นเปลี่ยนเลยอย่าเป็นไม่ว่าเรามีน้อยทำน้อยแล้วน้อยหน้าเขาอยากคิดนะกลองเชื่อหลวงพ่อเลยเป็นดีที่สุด <laughs> มีอะไรเลสอนลูกสอนหลานอีกนะอาเป็นพี่เลยนะวันนี้สอนยังไงคือที่อยากจะบอกเด็กๆหรืออะไรเนี่นะฮะคือรู้สึกว่าจากการปฏิบัติของคุณยายเนี่ยคุณยายได้อะไรเป็นิเอะไรนะ่ในฐานะผู้อาวุโสเนี่ยนะฮะจะแก่ผู้แก่หลานนะคะก็ทุกคนที่ทํานี่ก็ดีแล้วนะฮะเทาที่ทํามาเนี่ยทุกคนก็ดีแล้วนะฮะ นี่ก็มีบางสิ่งบางอย่างบางทีฉันก็ไม่ดีเหมือนกันที่ไปว่าคืไปด้ยินบางคนนี่ทีนจะลาออกจางานสีคนห้าคนเนี่ยนะคะฉันก็มาเห็นด้วยก็พวกเรานี่มันยังต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปนะคะที่เราจะต้องเลี้ยงชีพเราซึ่งเราจะต้องไม่ไปรบกวนมไม่้องใครอ่ะ ผู้อื่นก็คือพ่อแม่เนี่ยถ้าเราจกทุกข์ได้ยากท่านก็จะต้องต้องเป็นห่วงเราใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราก็ปฏิบัติไปเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เราไปทําเวลาหลวงพ่อมีกิจการเรื่องจะบรรจุข้าวกะปิเกลือนั้นการที่ขอมกระเทียมอะไรเนี่ยซึ่งทุกคนไม่มีความลังเกียจเหเนืห่อยแสนเหนื่อยแล้วกลางคืน ก, ก็ได้ปฏิบัตินะฮ ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลข อ, ขอแล้วนะฮะแล้วก็ เอเรื่องอาชีพหลักเรเนี่ยเราจะต้องยึดเอาไว้เพราะคนเรามันยังไม่รู้วันตายวันไ ห, หนใครเรารู้แน่ว่าพวกนี้ตายหรือเดือนหน้าตายเอ้ยฉันทําหมดตัวเลยอี <S <S ฉันกัองวลอยู่ว่าฉันมันจะต้องกินฉันก็ต้องเหลือไว้<ะ>แต่นี่คนหนุ่มคนสาวนี่ก็ต้องยึดอาชีพไว้ใช<ะ>่ น, นะเพราะเรานี่ยังจะต้องกิน<ะ>ต้องพายไอเรื่องทําบินเราเอาแรงเราทําได้นะฮะฉันแม่จะปฏิบัติแล้วก็ อันนี้เป็นกุศลสุดยอดเช่ะหมเราปฏิบัติได้แต่เรื่องอาชีพเราเนี่เรายังจะต้องรยึดไว้ทุกคนก็ดีใจกับเขาค่ะที่เขาจัดจะจัดได้น ะ, ะแต่ไอ้ช่านเนี่ยว่ามันจะแินไปนันอ่วงเสียงกินมากหรือไงก็ไม่ทราบเป็นอย่างนี้ห่วงเนะี้ยบางทีก็ไปร่วมเกินไปว่าคนก็อันนี้นะที่ว่าใครไม่พอใจก็ขอโทษ ด, ด้วยแล้วบางทีก็ จเจอใครว่าอะไรก็ว่าเขามั่งอะไรเนี่ยแล้วก็เนื่องจากก็เห็นว่าเราเนี่ยอายุมากเลย